รวมสิขาบทที่มีในรัตนวัตรรัตนวัตรมีสิบสิกขาบทคือ 1. อันเตปุระสิกขาบทว่าด้วยการเข้าเขตพระาชฐานชั้นใน 2. รัตนสิกขาบทว่าด้วยการเก็บรัตนที่เจ้าของลืมไว้ 3. วิกาลคามะประเวสนสิกขาบทว่าด้วยการเข้าบ้านในเวลาวิกาล 4. สูจิคราสิกขาบทว่าด้วยการทํากล่องเข็มด้วยกระดูกเป็นต้น 5. มันจะปีทาสิกขาบทว่าด้วยการทําเตียงและต่าง 6. ตูโรนันทะสิกขาบทว่าด้วยการทําเตียงและต่างหุมนุ่นเจนิสีธนาสิกขาบทว่าด้วยการทําผ้ารองนั่ง 8. กันทุปปฏิชฉาทิสิกขาบทว่าด้วยการทําผ้าปิดฝี 9. วัดสิกะสาติกาสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้าอาบน้ําฝนสินันทสิกขาบทว่าด้วยท่านพระนันทะ